ก็ดูไปครัครบช่วงหลวงพ่อย้ายมาเสื่อมในช่วงครับนะตอนนี้ค่อยฟืน้นแล้วค่อยรู้สึกไปนะอย่าไปบังคับมันเวลาเราบังคับบางทีมันตึงเข้ามาถึงร่างกายเลยเครียดไม่รู้เล่นๆคุณชาตพจน์เป็นไงนี่เรียนหมอนะแต่ไม่ยอมเป็นหมอไม่อยากเป็นหม อ, มอก็อ <ico> le> <ce> le> ช่วงนี้ก็พยายาม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 บางครั้งเห็นเวลาใจมันเริ่มเริ่มเล็กๆเริ่มทำงานค่ะมันเิ็เกๆปุบเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดความร้อนรูบางครั้งมันก็แสบบางครั้งมันก็วับ ว, ว, วับพอถ้าถ้าทุกครั้งที่เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเห็นมันทางานแล้วมันจะเริ่มแปลว่าไอ้กๆแปลว่าโหแบแแปลว่ากโกรธอะไรอย่างนี้<อ>น่าใจมันก็จะขาดตรงนั้นเจ้าค่ะ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 เป็นช่วงๆบางช่วงก็ภาวนารู้สึก ง, ง่ายอีกช่วงหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคนเลแล้วเป็นทุกขั้นด้วยบางทีบางวันตื่นขึ้นมาเอ๊ะเราเาพ่ภาวนากันยังไงหลวงพ่อยังเคยเป็นเลยนะบวชพรษาแรกมีตื่นขึ้นมาเฮ้แล้ว เ, เาพิภาวนากันไงเนี่ยลืมไปหมดแล้วภาวนาอะไรไม่เป็นแล้วไม่เป็นเลยเนี่ยทาไงดีทำสมถะพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ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 กดไม่ยิ่งทื่อๆหนักใหญ่อให้รู้ทันไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะรู้ลงไปอคุณผู้ชายข้างหลังครับกราบนำ้ำมรสการนะครับเพิ่งมาครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นอืใช้ได้อย่างนี้แล้วก็ฟังหลวงพ่อมาพักนึงแล้วแล้วก็อยากจะมาเห็นท่านตัวจริงๆแล้วก็ <c oughs> เห็นอะไรนะเห็นตัวจริงๆของท่านโ <c> อ <oughs> รู้ได้ยังไงว่านี่ตัวจริง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 ยังมีตื่นเต้นได้ <ฮา S 2> น่าดีใจน ะ, <ฮา S 2> ะถ้าเฉย <c oughs> อย่างนี้น่ากลัวตอนที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานางนี้ค่ะบางทีก็ทราบเวลามีอะไรมากระทบแล้วก็รู้สึกนิ่งไปเลยแล้วก็จมแล้วเราก็รู้สึกใหม่ใช้ได้ใช้ได้ตรงที่รู้ว่ามันนิ่งตรงที่รู้ว่ามันจมไปใช้ได้ดูไปอย่างั้นแหละจะห้ามมันไม่ให้นิ่งก็ห้ามไม่ได้เราห้ามไม่ได้สย่ง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 สองาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องเก่าๆที่เคยติดไว้นะคะกลับมาก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองแย่ลงเหมือนก็มันระเบิดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะละสองเราก็รู้ไปน่าใจมันแข็งๆทื่อๆซึมๆมัวๆแข้งแรงหาความสุขไม่ได้รุมไปหลวงพ่อพูดถูกอ่ะใส่ร้ายไหมไม่ใส่นะก็ยังชั่วเลแล้ว เมื่อกี้ก็พอดีหันไปมองลูกสาวอะค่ะก็เลยไปคขำเขาเพอหันหันกลับมาเจอหลวงพ่อก็เหมืนก็เบรกลูกสาวนะ่าตื่นเต้นว่าใหม่วิ่งอยู่รอบๆตัวแล้วนะนะไปอย่าทรมานเด็กเดี๋ยวกลัววัดนะเด็กมาวัดได้ก็บุนแล้วละ่ะให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศนะฟังไปหลวงพ่อเนี่ยไปวัดตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนนะไปวัดผู้ใหญ่อุ้มไป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 ค่ะแล้วการขห่หลวงพอ่อคือมาครั้งแรกหลวงพ่อสอนให้รู้สภาวะเผลอค่ะแล้วพอกลับไปรู้ว่าเผลอมันก็เลยอยากดีมันก็เลยเพ่งออก็เลยดีดีรู้ได้สองอันล้วเผลอกับเพ่งล้วค่ะแล้วทนะีนี้ก็คือเมื่อกี้ค่ะที่หลวงพ่อพูดว่าถ้ามัวไปกระทบทางผัดสาเงี้ยจะไม่ดีอะค่ะแล้วเวลาหนูแบบ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 เท่งไว้บังคับไว้กดข่มไว้มันคืออาตาัตตากิยามิถานุโยโเคเัาเพิงถางพ่ออ้าวว่าไงหนูเพิ่งมาครั้งแรกออค่ะหัดดูใจไปน ะ, ะใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงคอยรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้นะวันนี้เบอร์สามสิบสามดีรู้สึกไปเร่ยก็เหตเผรอะนะครับ อันนี้อยากจะให้หลวงพ่อแนะนําว่าจะต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครัรู้ลูกเดียวนะ <c oughs> แต่ก็รู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดเผลออ่ะ <c oughs> มันเป็นยังไงก็ได้รู้อย่างเดียวเห็นตอนนี้ใจเรามีโมหะแทรกอยู่รู้ไหมมันหมองมอ ง, ม, องมัวมวไปนิดนึงมันไม่ชัดเราก็รู้ว่ามีโมหะแล้วก็เป็นกลางกับโมหะนั่นเผลอรู้ว่าเผลอไปเผลอก็เป็นเป็นโมหะเหมือนกันเราก็รู้ว่าเผลอเป็นกลางกว่าความเผลออีก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 รเราเป็นอิสระจากกิเลสที่ที่เคยเห็นบางท่านบอกว่าเห็นจิตโมโหมั่งหนักหนัมัม่งอะไรนี่ผม ไ, ไม่เห็น<อ>เลยนะไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นนะครับเราจิตลรโมโห ร, รู้ว่าโมโหเพราะเราเห็นโมโหนี่เราก็ดูโมโหไป ค, คนไทยเรียกโมโหนะแต่จริงต้องเรียกโทโสแต่คนโบราณเรียกโมโหโทโสเลยมีสองอันก็ถูกอีกเพราะโทโสอยู่ลําพังไม่ได้ต้องคู่กับโมโห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 นหนุ่มใส่แว่นตาเนี่ยแหละที่กำลังถูมืออยู่รู้สึกไมถูมืออยู่ก็ไม่รู้สึกใใจแอบไปคิดก็ไม่รู้สึกเนี่ยมันลืมทั้งกายลืมทั้งใจเนะพราะเรามัวแต่รู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดนะเหมือนภาพลวงตาท่านอย่างเราคิดว่าเรามีแฟนเป็นนางงามจักราวาลก็ได้ใช่ไหมแต่มันไม่มีเราได้นางงามเฉากล้ยมาแทนอนะไนะนะนะนะรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องที่คิดเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้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 ถ้ไม่มีความสุขพระจิตมันเป็นกุศลมหากุศลรจิตเนี่ยนะไม่มีโทมนัตไม่มีความทุกข์นะโทมนัตเวทนาไม่เกิดในมหากุศลรจิตโทมนัตเวทนาเกิดในโทสะมูรจิตเท่านะั้นเจตเจจิตที่มีโทสะเพราะงั้นเวลาเราภาวนาเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมีแต่ความสุขกาอุเบกขาดีนะที่ฝึกอยู่ดีละขอบพระคุณเจ้าค่ะ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 จิตหลงไปก็รู้ว่าหลงไปหลงไปหนึ่งแคทแวบเนี่ยหลงไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูไปนะ <Cu> ไม่ใช่ว่าห้ามหลงนะเนี <Cu> ่ยหลงเรารู้เอาไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมให้รู้ทันไปอีกแล้วรู้สึกไหมนะเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะ <C> นเราจะพบเลยว่าในเวลาวินาทีหนึ่งที่จิตหนีไปทั้งหลายรอบเนี่ยเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม screams? ดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นเลยว่าไม่มีเราหรอก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 นะขอบคุณคุณผู้ชายที่ใส่แว่นที่คุยกับหลวงพ่อตะกี้ยรู้สึกไหมตอนเราหันไปดูเ้านะเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมใจเราไหลแว บ, บไปแล้วก็คอยรู้สึกเาอาแต่ตอนนี้ใจไปคิดแล้ ว, ลวก็รู้สึกเอาค่นะก า, าบนะมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติมานี้ ถูกต้องบ้างหรือยังเจ้าคะถูกที่ถูกนะอย่างน้อยคิดจะปฏิบัติเนี่ยคิดถูกแล้วนะอันที่2มาฟังธรรมะเห็นไะมมาหาวิธีปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าเราทำถูกแล้วมาเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจคุณรู้สึกไหมใจของคุณโล่งๆขึ้ น, น <c oughs> ดูออกไหมดูออกไหมที่ทามาค่ะหมายถึงพอเรารู้ในตัวกิเลสเรานี่เรียกว่า